วันนี้เป็นวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2555วันนี้แรม9ค่ำเดือน10วันนี้รู้สึกว่าพระกูบานาตามาฉันเยอะวันนี้งดฉัน3รูปตามรายงานไม่มาฉัน3รูปดูแล้ว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 แต่ในพระสงฆ์ก็สนทนากันวาพระองค์นี้ทานอาหารมากจนเกินไปจนตายพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าพระองค์นี้ไม่ใช่ตายแต่ในชาตินี้เทรนะในอดีตชาติก็เคยเคยโลภในอาหารพระสงก็เลยถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าสมัยไหนพระเจ้าข่าสมัยหนึ่งเราเป็นนกแขก เป็นนกแขกแล้วก็เป็นหัวหน้าหัวหน้านกแขกนกแขกเต้าเราก็ไปบินพาบริวารไปหากินในสถ า, านที่ต่างๆพอต่อมาเราก็บินรู้สึกว่าจะใช้กำลังลูปบินเร็วจนเกินไปทำให้สายตาของเราเสื่อมลงเรื่อยๆ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 อะไรที่จะขาบมาได้มาให้พ่อแม่กินแต่วันหนึ่งพ่อแม่ได้ทานผลมะม่วงมะม่วงสุกโอ้รสอร่อยมาก่ะพ่อก็เลยบอกว่าเอ้ยลูกเอ้ยอันนี้มะม่วงพันนี้เนี่ยพ่อเคยไปเคยไปกินมาก่อนแล้วนะอยู่ในเกานะกลางทะเลนะั่นมะม่วงพันนี้เนะ่ะ พ่อจำได้มันรสดีเหลือเกินลูกจะไปกินนะลูกนะพอนกทั้งหลายไปกินมะม่วงในเกาะนี้แล้วโดยมากจะตกน้ําทะเลตายเพราะเหตุไอเพราะกินแล้วจนจุกจนแน่นท้องหมดกําลังบินไม่ข้ามน้ําทะเลพอกินไม่รู้จักประมาณพออร่อยเท่านะั้นเก๋ยิ่งกินมากกินมากกินมากพอได้สือก พอกินเอี๊แล้วก็บินบินออกมาสู่ฝั่งสู่ฝั่งนอกพลที่สุดก็ตกในกลางมหาสมุทรตายมากตัวมากแล้วเพราะนั้นลูกอย่าไปกินดีในรถรถอาหารนั่นลูกนะไปหากินเกาะอื่นไปหากินที่อื่นเถอะอันตรายนะลูกนะอันนี้คือพ่อเนี่ยเคยเคยผ่านผ่านร้อนผ่านหนาวมามาแล้ว น, ะนกพระโพธิสัต์นีย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 ทางลูกชายก็บอกกาผมรู้จักประมาณกินกันแล้วกันนะพ่อพอผลที่สุดก็เลยไปไม่นานนกตัวนั้นก็เลยหายเงียบไปผู้พ่อก็เลยได้เวลากับไม่เห็นลูกเอาอกข้าบผลไม้มาให้กินนกตวนันโอลูกของเราคงไม่เชื่อฟังถ้อยคำของเราคงจะไปกิน มะม่วงที่เราเคยบอกมาแล้วเ อ, อเขาก็คงจะตกน้ําทะเลตายแล้วลูกของเรานะคือนกสองผัวเมียที่ตาบอดนั่นก็อยู่ในถ้ำผลที่สุดก็ไม่ได้กินอาหารไม่ได้ทานอาหารจากลูป ก, ก็ชีวิตของเขาก็เลยตายลงไปนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเนี่ยพระองค์นีเ้เคยทานอาหาร แล้วก็บอกไม่ฟังโลภในอาหารเคยมีแล้วในในชาดกในชาิที่เป็นนกแขกเต้านะนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านสอนพระสอนคนให้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแต่ใครบริโภคอาหารมากจนเกินไปก็ททำให้ง่วงเหงาหาวนอนแล้วก็สลําสลสลือ คิดอะไรไม่ออกอ่ะท่านก็เปรียบเทียบกับพญาปเสณที่โกศลอีกพญาปเสณที่โกศลมาตอนสวยอาหารเสร็จใหม่ก็มากราบพระพุทธเจ้าพอมากราบพระพุทธเจ้า ว, วัดเชตวันพอมากราบพอพระพุทธเจ้าแสดงทำให้ฟังท่านน่ะสับประงกงกงันอ่าทั้งนั่งไปด้วยทั้งหลับไปด้วยพระพุทธองค์เทศอะไรไม่รู้เพราะตัวเองง่วงนะ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 อแต่นี้พระญาปัสเสนก็ เ, เลยบอกว่าข้าพระองค์ห้ามไม่อยู่ล้งางไม่อยู่พระเจ้าข่าพอได้ทานเข้าไปแล้วมันเบรกไม่อยู่แต่นี้พระพุทธเจา้าท่านก็นเลยบอกว่าเออทาอย่างนั้นก็คนได้อยู่ข้างๆลองเพลงลองเพลงตื่นเตือนไว้เคือจะใครจะเตือนพระราชาคงเตือนยากใช่ไหมก็เลยแต่งเป็นเพลงเตือตนเอาไว้ พอเสร็จแล้วพระองค์ก็แต่ง ใ, ให้คํำไปให้คําที่จะเตือนไปแต่เป็นร้องเป็นเพลงครตอนนี้พอพระญาปัเสนทานอาหารเข้าไปประมาณแค่ครึ่งๆเนี่ยแขกคนสนมจุใกล้ๆข้างๆก็ร้งงองเพลงขึ้นมาถ้าเสเวยมากเกินไปจะทําให้งห่ว ง, วงสลัมสลือเหมือนกับอะไรก็ว่ากันไปแล้ว ภริยาประเสิทธิ์เออได้สติเนีได้สติเหมือนกันนะเออเธอเขาเตือนเราแล้วเนี่ยแอมเขาไม่สวยอาหารให้เต็มอิ่มเนี่แหละอันนี้ต่อมาพระเจ้าประเสิทธิ์ก็กระปี้กระเป๋า อ, อสดชื่นแจ่มใสไปที่ไหนก็ไปได้พระพุทธองค์ถามมหาว่าพิตรเป็นไงโอ้ข้าพระองค์ตั้งแต่งดอาหารมานี่รู้สึกว่าร่างกายรู้สึกว่ากระปี้กระเป๋า ครับผมอมนั่นแหละอย่าไปเห็นแก่ปากแก่ท้องอย่าไปเห็นแก่ลิ้นอะไรมากต้องดูทานไปแล้วก็เท่านั้นแหล ะ, ะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรมากอันนี้คือพระพุทธองค์เตือนพระเจ้าปเสนที่โกศลในยุคสมัยนั้นท่านจึงตรัสว่าโพชเนมัตตัญยุตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารอย่าไปมากนักอย่าไปน้อยนักถ้าน้อยมักก็หิวจนเกินไป ถ้ามากมากนักก็อืดจนเกินไปนี่แหละในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนไปหมดเหมือนกันนะถ้าพวกเราหยิบยกเอามาพูดหรือมาก่าวเตือนกันเนี่ยมันมีมากหลากหลายเหลือเกินอย่างที่หลวงพ่อพูดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า 84% ดหมพพระธรรมมขันอ่ถ้าเราจะเอาตัวไหนตรงไหนมาว่ากล่าวมาเตือนมาเป็นคติตัวอย่าง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 แต่ตามไม่จริงหน้าหวาดเสียวที่สุดคือคืนจ้างนายขมังธนูไปฆ่าไปฆ่าพระพุทธเจ้าแต่กลิ่งหินที่เขไม่เท่าไหร่เพราะกลิ่งหินก่อนมันจะตกลงมาทับพระพุทธเจ้าเนี่ยเสียงบุงคกรึกลึกคึกักกรึกลึกคึกักจนพอลังใช่ไหมจะเดินหลบหลีกไปที่ไหนก็ได้ฮชแต่นี่ยพอหินตกลงมาในพื้นเม็ดหินเกล็ดหินกระเด็นมามาถูกเท้าพระพุทธเจ้าถูกประบาดพระพุทธเจ้า อย่างพระโลหิตให้ห่อเทวทัตเห็นไหมถึงจะไม่เิ่งทัพอพระพุทธเจ้าก็จริงแต่อย่ากน้อยก็บป่าพระบ่าท่อก็แล้วกันละ่ะะได้ได้ทีอย่างนั้นแต่ตามความจริงพระพุทธเจ้าไม่ให้ถูกก็ได้แต่นี่มันเทวทัตจะเสียใจมากจนเกินไปที่ตำราประไตรปิฎกท่านพูดไว้อย่างนั้นแต่ปล่อยช้างนาลาคิลิงมาเหมือนกันพอปล่อยออกมาเอาตะกรัน ช้างตัวนี้นะ่ะเวลาจะเข้าศึกสงครามนะจะให้กินเหล้าเพียงแปดกระออมคือแปดกระออมคือคือแปดองค์เล็กๆนะ่ไม่ใช่เล็กนะวะเขาคงจะรู้ประมาณแปดกระออมออมหนึ่งใบทูดไว้ทัวกี่กรงกี่กขวดนะ่เขาให้กินแปดกระออมเข้าสู่ศึกสงครามแต่คราวนี้เขาให้กินถึงสิบหกกระออมให้มันเมาอย่างเต็มที่ออกมาไม่ให้ไม่ให้มันรู้จักว่าใครเป็นใครนะ ออพอเห็นพระพุทธเจ้ามาในทางที่ไม่มีทางหลีกทางเลี้ยงนะก็ปล่อยช้างออกมาช้างออกมากูวิ่งปันออกมาเลยแต่ตามไปจริงอันนี้ก็ไม่น่ากลัวหลวงพ่อว่าเนะพราะว่าพระพุทธเจ้าหลบเข้าไปในบ้านใครก็ได้ใช่ไหมช้างมันจะรู้จักขนาดนั้นเหรอพอเราหลบเข้าไปมันก็กจบถนนหนทางทั้งสองข้ามก็ต้องมีบ้านคนทั้งนั้น แต่นี้ก็ไม่น่ากลัวแต่ทีไยังไงพระพุทธองค์ก็พระอานุ์กูวิ่งออกมารับแทนพระพุทธเจ้ายอมตายแทนพระพุทธเจ้านะพระสงฆ์เลยไปว่าไม่เป็นขบวนที่ตามเสด็จนะแกัวแต่พระอานน์่ลออกหน้าเลยอข้าจะตายแทนพระพุทธเจ้านะแต่นี้พอช้างมาวิ่งมาพระพุทธเจ้าบันดาลให้พระอานุ์ตามหลังด้วยอิทธิฤทธิ์พระพุทธเจ้าบันดาลให้พระอานุ์ตามหลัง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 พระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าช้างนาลากิเลงจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตเพราะนั้นช้างตัวนี้ก็ได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าตอนนั้นสยบแหละ น, นี้ก็คือก็ไม่น่ากลัวแต่นายคำังธนูที่ว่าเนี่ยพระเทวทัตกับพระเจ้าอชาติศัตรูเนี่ยสมคบกันจ้างเอาให้ในายคำังธนูเขาว่าคมังคือแปลว่าหนึ่งหนึ่งในในกรุงเนี่ย กรุงราชสักืนะ้ที่ว่าแม่นธนูที่เป็นมือหนึ่งนนะให้ไปยิงพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้านี่นะมีพระองค์หนึ่งนะมีสมณะท่านหนึ่งนะตอนตีสีจะเดินอยู่แถบนี้แนละ้วเดินอยู่แถบนี้นะพอออกมาแล้วให้ยิงเลยนะไม่ต้องถามอะไรแล้วยิงเลยนี่เอาอธนูยิงเลยแต่ว่า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 พออิทธิฤทิ์ของพระพุทธเจ้าโกงอยู่ยงั้นจนน้ําลายไหลแล้วมันโกงมันหนักด้วยเนี่ยเอาลงก็ไม่ได้ปล่อยก็ไม่ได้เอาลงก็ไม่ได้เลยยืนกังจังอยู่นั่นนะอทํา ท, ท่าโกงทนโนเนี่ยพระองเอา้าเป็นไรเธอทําอะไรโอ้ยข้าพระองค์เขาบอกมาให้ข้าพระองค์ยิงยิงท่านเขาจะยิงเราทําไมพระองค์กระเถการเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่น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 พอจำเ็จแล้วกับพุทธองค์ให้ไปทางนี้พราะไอ้สองคนกับคอยไม่รู้คอยไม่เห็นมันก็เดินกลับมาพ้นได้เวลานะมาพุทธองค์ก็เทศให้ฟังอีกไปทางนี้อีกสี่คนมาอีกแปดคนมาอีกสิบหกกรมนี่มาทางเก่าผลในสุดสิบหกคนก็จะไปทางไหนก็ได้ใช่ไหมล่ะไม่มีพิษมีภัยแล้วแต่สิบหกคนนะนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ตั้งหลายปโปรดสัก อันนี้ก็คือพระเทวทัตวางแผนฆ่าตัดตอนนี่แหละในครั้งกานู้นก็เคยมีเพราะนั้นเรื่องความชั่วต้องใช้ปัญญาอีกเหมือนกันนะแต่ใช้ปัญญาไปในทางที่ชั่วเพราะนั้นน่ากลัวมากๆคือใจของพวกเราใจของสัรพจัต์ทั้งหลายมนโนผูพังคมาธรรมามโนเสรามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสาเร็จแล้วดวใจ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 ศิลเป็นธรรมเป็นบันฑิตนักปรัดใจตรงนั้นก็พร้อมที่จะไปสู่ความสุขความเจริญอยู่น่าจะสถานที่ใดมีแต่ความพาศุขท่วนหน้ากันแต่ถ้าว่าใจเป็นพาระชนใจเป็นคนพาลเสอย่างไปอยู่น่าสถานที่ใดกรเดือร้อนวุ่นวายไปทุกหัวละแห่งเพราะเหตุไรเพราะใจเป็นพาระชนใจเป็นคนพาลใจผงวนชั่วใจเป็นมิตรมิจฉาทิฐิเป็นใจเป็น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 ในแนวความคิดในหลักของพระพุทธศาสนามีมากหลากหลายถตอนนี้ไปรับพรอนโมทนาให้พร